เมื่อวานี้หลังจากที่ท่านประธานมนตรีมาข้าก็เห็นท่านพ่อท่านแม่นั่งร้องไห้ข้าทนไม่ได้ข้าทนเห็นท่านแม่สอนต้องทุกข์ใจเพรกะข้าไม่ได้เจ้านั้นคิดดีทำดียิ่งแล้ววางสิทีิป่านี้กามนิศคงเศ้ามองข้าอยู่บนสวรรค์เขาคงเศร้าเสียใจเพราะข้า กามนิทเขาคงเข้าใจเจ้าเชื่อข้าเถิดวาสิทธีกามานิทท่านจงอภัยต่อข้าด้วยไม่นานข้าจะตามไปพบท่านที่บนสวรรค์รอข้านะกามานิตท่านรอข้านะเมื่อรดูฝนเริ่มซึ่งจางลง การมณิทก็ได้จัดกองเวียนออกเดินทางไปกรุงโกสัมพีทันทีแม้จะยังมีอุปสรรคในหนทางการเดินทางอบ้างแต่เขาก็เร่งกองเวียนจนมาถึงยังกรุงโกสัมพีได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยถ้าถึงแล้วกรุงโกสัมพีที่รักนี่ก็นานกว่าสามปีเลยชนะโกเล็กที่เราจากที่นี่มาขอรับนายท่าน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 ข้าเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงโกสัมพีมาครู่นี้เองนึกแล้วเชียวมีและงานวิวายิ่งใหญ่ของท่านสาตะเคียนผู้จิตปราบจอมโจนองค์ุลีมานยังไงละ่และแต่ก็ยังเป็นบุตรชายคนเดียวของท่านประธานมนตรีผู้ยิ่งใหญ่ของกรุงโกสัมพีแห่งนี้ด้วยนะฮะ่าพี่สาตะเคียนก็วิวาซะแล้วนี่เช่นนั้ น, วนความรักของข้าก็ไรอุปสรรคซะแล้วสิะจะว่าอะไรนะ เจ้ารู้จักท่านสาตะเคียนหรืออ๋อเปล่าเปล่าเป่าข้าพูดว่าท่านสาตะเคียนได้ขคาองค์ปริมาณฉันแล้วเรื่อนี่นะท่านข้าจะได้ไร้อุปสรรคในการเดินทางเสียทนนีนั่นนั่นนั่นขบวนแห่ของเจ้าสาวกำลังมาแล้วกาแมนทั้งตื่นเต้นรับคนดีใจที่รู้ว่าสาตะเคียนคู่แข่งของตนนั้น แต่ชิงวิวามีคู่ไปเสียแล้วสายตาของเขาจับจ้องมองที่ขบวนของเจ้าสาวซึ่งมีช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างวิจิตรมีมาลัยทองประดับทับทิมคาดอยู่ที่หาชา้างส่วนงวงประดับด้วยใบและดอกอโศกดูสวยงามแปลกตายิ่งนะักผิดจากที่กามณิตเคยพบเห็นมา นักเพลงทางศิลปะเช่นเขายังอดชื่นชมในฝีมือไม่ได้ในกูกช้างซึ่งบุกด้วยผ้าตัดสีม่วงมีเจ้าสาวนั่งก้มหน้าแนบอยู่กับปกกายก็โอนเอ็นไปมาตามก้าวย่างของช้างแต่ดูราวไร้ชีวิตจิตใจ ย, ยิ่งนะดูนั่นสิยเจ้าสาวกงดูเศร้าอมองนะักนะ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 ท่านใดนั้นเจ้าสาวก็ได้เงยหน้าขึ้นมาฮะวะวะเศรีโอ๊ยเจ้าเจ้าอ้าเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นลงไปซะแล้วแล้วแล้วมาช่วยกันหน่อยกามนิ์เมื่อประจักษ์ต่อสายตาว่าเจ้าสาวของสาตะเคียนนั้น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 นี่นี่นยของข้าเองปล่อยให้ข้าดูแลเขาเถอะกามมนิตมีอาการแน่นิ่งในตาเมือยลอยไม่รับรู้ต่อเรื่องราวใดๆและไม่ตอบสนองต่อคำถามของผู้ใดทั้งสิ้นแต่แต่ลำพึงอยู่ภายในใจเพียงคนเดียวปล่อยให้พวกบาวพากันอุ้มร่างของเขาออกไปจากบริเวณนั้น ทำไมวาสิถีทำไมเจ้าถึงทากับข้าได้คำสัญญาที่เราให้ไว้ต่อกันมันไม่มีความหมายใดๆต่อเจ้าเลยอย่างนั้นรึวาสิธิวาสิถีเร็วพวกเราช่วยกันพานายท่านไปพักที่ตรงนั้นก่อนเร็วเข้าพวกบา่าวได้พากามาณิตมานอนพักอย่างบริเวณใกล้ๆนั้น เวลาผ่านไปจนใกล้ค่ำพวกเบ่าวจึงปรึกษากันว่าจะไปแจ้งข่าวของกรร ม, มนิทให้แก่สมุทัศน์พวกเจ้าคอยเฝ้าดูแลนายท่านอยู่ที่นี่นะข้าจะไปแจ้งข่าวแก่ท่านสมุทัศน์ก่อนโกลิศเจ้าไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นไม่ต้องไปแจ้งข่าวเรื่องของข้าให้แก่ใครผู้ใดทั้งสิ้นฟังข้านะ พรุ่งนี้เช้าจะจงไปติดต่อค้าขายสินค้าของเราให้หมดโดยเร็วแม้มันจะไม่ได้ราคานักก็าตามและก็รีบซื้อหาสินค้าต่างๆตามใบาการท่อที่พอจะซื้อหาได้ข้านั้นไม่มีเรียวแรที่จะกระทําการ ใ, ใดๆได้เองแล้วขอฝากการนี้แก่เจ้าด้วยและอย่าได้เพ่งพลายเรื่องที่ข้างมาครุงโกสัมพีให้แก่ผู้ใดอย่างเด็ดขาด ขอรับนายท่านนายท่านไม่ต้องเป็นห่วงกังวลข้าจะจัดการตามที่นายท่านสั่งมาให้บอบกล้องขอรับวาสตีจากใปหน้าที่เศร้าหมองของเจ้าข้าพอจะรู้แล้วละว่าเกิดเรื่องใดขึ้นกับเจ้าไอสาตะเคียนคุนเจ้าเล่มันคงให้ท่านประธานมนตรีบิดาของมันมันบีบบังคับบิดามารดาของเจ้าใช่ไหมวาสตี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 แต่ไม่ได้ขอพรอำนวยโชคชัยเช่นคนอื่นๆทั่วไปหากแต่เขาขอต่อว่าชะศกให้เขาได้เป็นโจรเมื่อเดินทางกลับมาถึงกรุงอุเทนีกามนิตก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเขาออกเที่ยวเตร่สัมมเลเทเมาและคบหาโศเพนีทุกระดับชั้น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 ลูกนั้นได้อาศัยข้อมูลจากพวกนางคณิกาที่ลูกเคยคบหาช่วยให้ลูกได้รู้ช่องทางและผู้คนที่เป็นประโยชน์ต่อาการค้ามากเลยทีเดียวนั่นก็เพราะลูกรู้จักเลือกหนมแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์มาใช้แม้แต่จากคนที่มีหน้าจะเป็นประโยชน์เจ้านั้นเจ้รหัสนักลูกเอ้ยเออพูดถึงผู้หญิง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 มาให้เขาอีกคนหนึ่งเพื่อต้องการให้การรมนิทได้มีบุตรชายไว้สืบตระกูลแต่เมื่อหลังจากที่กามนิทได้บุตรชายเขาก็หาความสงบสุขไม่ได้อีกเลยด้วยเพราะภรรยาทั้งสองนั้นทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันข้างฝ่ายวาสิถีเองนั้นก็หาได้มีความสุขในชีวิตไม่หลังจากวิวาได้หนึ่งปี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 และมีภารกิจมากยิ่งขึ้นจนแทบไม่มีเวลาให้กับวาสิทธิอีกเลยซึ่งวาสิทธิเองก็ไม่ได้เคยทุกร้อนต่อเรื่องนี้นางพึงใจที่จะอยู่เพียงลำพังผู้เดียวเพื่อได้หวนคนึงถึงกามณิทชีวิตของวาสิทธิ์ระฐมจมปลักอยู่กับความหลังยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีกระทั่งค่าคืนหนึ่ง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 กามนิคเขาแม่นางเขาไม่ได้อยู่บนแดนสวรรค์ น, นั้นหรอกองคุรีมันนี่เจ้าฉันยังไม่ตายถูกแล้วแม่นางข้ายังไม่ตายและกาแมนิคก็ยังไม่ตายข้าเป็นคนปล่อยเขากับกุงอุเทนีไปเองนี่นี่เจ้าจะมาลุกไายเรื่องไหนกับข้าอีกและที่เจ้าพูดนั้นหมายความว่าอย่างไรกันแน่ข้าไม่เข้าใจเบาวของกามนิคเด้นําเงินมาถ่ายตัวเขา เด็ดทันตามกำหนดเวลาขัดจริงทําตามกฎโดยให้สมุนของข้าสี่คนเดินทางไปส่งเขาจนถึงกรุงอุตเชนีเขายังไม่ตายแน่นอนแม่นางแต่ที่ข้าแ้งทําสัดจักรยาตอนหน้าเจ้าในวันนั้นก็เพราะอุบายชั่วของไอ้สาตะเคียนเพื่อรอกให้เจ้าหมดฝังในความรักที่มีต่อกามนิต์ไม่ไม่จริงถ้าช น, นั้นทาไมเจ้าถึงดึงโู่ตรวนขาดได้เล่า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 เพราะมันไม่เคยคิดที่จะปล่อยท่าตาสัญญาเลยโอ้ขามนิดนี่เป็นเรื่องจริงหรือนี่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ตายโธ่้า น, นั่นเองที่เป็นหญิงชั่วทําผิดอย่างใหญ่หลวงต่อคนรักของข้าโท่แม่นางไม่ผิดหรอกคนที่ผิดและชั่วก็คือไอ้าสาตะเคียนต่างหาก ข้าขอสัญญากับแม่นางว่าข้าจะไปพาตัวการมนิต์มาพบแม่นางให้ได้เพื่อเป็นการไถ่ต่อความผิดที่ข้ากระทำไว้แต่ก่อนไปข้ามีเรื่องจะขอร้องแม่นางสักเรื่องหนึง่งจะมีเรื่องใดจะให้ข้าช่วยเจ้าข้าได้สืบความมาว่าไอ้สาตะเขียนมันจะออกไปทำภารกิจที่นอกเมืองในอีกสองวันข้างหน้านี้ข้ายากขอให้เจ้าช่วยสืบว่ามันจะไปในที่ใด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 ข้าจะมาฟังข่าวจากเจ้าจงอย่าลืมว่าการที่ข้าจะกระทำในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนข้าช่วยให้เจ้าและกรรมนิ์เดมีชีวิตกลับคืนมานังเดิมเจ้าจงตรองดูองคุริมานจากไปแล้วจากไปหลังจากที่ได้มอบความจริงและทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ให้แก่วาสิทธินางทั้งตื่นเต้นดีใจ และทั้งให้คิดเคียดแค้นต่อสาตาเคียนจนสับสนวุ่นวายใจยิ่งนะักโอ้กามานิทท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านยังไม่ได้ตายจากข้าไปสาตาเคียนเจ้านี่ช่างชั่วช้านะเจ้าได้ทาลายทั้งชีวิตของข้าและกามานิทหากไม่มีเจ้าอยู่ในโลกนี้แล้วข้าและกามานิท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 พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยเหล่าพิสุเสดดจโปรดเวยนยสัตว์ไปตามชนบทประเทศต่างๆกระทั่งถึงกรุงโกสัมพีและได้ประทับอยู่ณเทวัลพระกิศนาร้างนอกกรุงพระองค์ได้ทรงเล่นพระยานถึงพฤติการของมหาโจรองคุริมาน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 หญิงจนกระทั่งลูกธนูหมดขนาดนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นหน้าไปไกลองคุริมานวิ่งไล่ตามหมายจะประทุบสลายด้วยหอกแต่เร่งเท่าไรก็ไม่ถึงสักทีทั้งทั้งที่พระพุทธองค์ก็เสด็จดำเนินตามปกติองคุริมานจึงหยุดและตะโกนออกไปหยุดนะสัมณะหยุด องค์กุลิมานเราหยุดแล้วแต่เจ้านั่นแหละยังไม่หยุดท่านได้ชื่อว่าสมณะย่อมละแล้วซึ่งมุสาวะก็ท่านยังเดินอยู่ทําไมจึงบอกว่าหยุดเล่าส่วนเราเยื้อเฉย อ, ยอยู่นี่ท่านกลับว่าเราไม่หยุดท่านกล่าวเช่นนี้หมายความว่าอะไรเรานั้นมิ่ดูโกงการต่อผู้ใดแล้วจึงหยุดไม่ต้องเวียนไหวในสังสารวัฏต่อไปอีก แต่เจ้านั้นเป็นผู้มุ่งร้ายต่อสัปสัทุุขณาจิตจึงต้องเวียนไหวรับผลตามต่อไปไม่ได้หยุดยอนเรายังไม่เข้าใจที่ท่านพูดท่านสมณนะโปรดชี้แจงให้แจมแจ้งด้วยเชิญดูเราวางห อ, อกลงแล้วเราปฏิ ญ, ญาณสาบานว่าจะให้สันติสุขแก่ท่านองคุริมาเจ้าจะให้สันติสุขแก่เราไม่ได้ถ้าพูดว่า เราจะให้สันติสุขแก่เจ้าจึงจะเป็นการถูกต้องครั้งนี้เจ้าสาบาลเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกเจ้าปฏิ ญ, ญาณหลอกลวงสตรีด้วยสัจจกิริยาขณนไหนนักบวดผู้นี้จึงร่วงรู้เรื่องที่เป็นความลับของข้าได้ถ้าทานจะมีวิชาคมเก่งกล้านะแต่เอ๊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 ดังนั้นเจ้าจงยาได้เบียดเบียนชีวิตของผู้ใดต่อไปอีกเลยองคุลิมารคำสอนนี้ช่างแตกต่างกับสิ่งที่ท่านว่าจะศบสอนข้ายิ่งนักเอและระหว่างท่านว่าจะศพกับนักบวชผู้นี้ใครถูกใครผิดกันแน่นะองคุลิมารเจ้าไม่ได้ตั้งใจฟังคำที่เราพูดหากแต่กำลังนึกถึงว่าจะศพ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 ร่องลอยตีกันอยู่กลางอากาศมีเสียงหวีดร้องแสดงความเจ็บปวดทันใดนั้นเองได้มีร่างสามร่างโผล่ออกมาจากครูหามมืดทางด้านขวาและร่างที่อยู่ตรงกลางนั้นก็คือวาทศซึ่งกายเปลือยเปล่าร่างสันะ ร, ริผู้คุมสองตนที่ขนาบข้างนั้นมีกายเป็นคนแต่หัวและเท้าเป็นสัตว์ ที่มือของทั้งสองือหอกยาวและดูน่ากลัวยิ่งนักข้าแต่เรียกเจ้าที่นี่คือนรกหอบซึ่งผู้ทำบาปนับต้องตกลงมาที่นี่และได้รับความทรมานด้วยการถูกหอบพิ่นแทงเป็นเวลาหมื่นปีเมื่อสเสวยธรรมบพกำหนดนแล้วเกิดจะไปเกิดใหม่ในภพอื่นตามควรแก่เศษผลของตรรมพอพูดขาดคา คุมทั้งสองก็สัดหอกเข้าร่างว่าจะตกแล้วบรรดาหอกที่เคลื่อนไหวอยู่รอบตัวก็พุ่งเข้าเสียบทั่วร่างเป็นทุลมุนคงนกปาเหล็กที่บินว่อนอยู่ก็ร่อนลงมาจิกว่าจะตกร้องโหยหวนหน้าสยดสยองป็นหน้าเวทนายิ่งนักองคุลิมานเห็นแล้วทั้งกลัวทั้งสงสารว่าจะตกจนถึงกับหมดสติไป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 ได้โ ป, ปรดะธานาภัยให้แก่สัตว์ที่โง่เขายิงฆ่าเด้เพิ่มเป็นบุญค่อนข้าอย่างนะที่พระองค์สเสด็จมาโปรดสัตว์ยิงฆ่าโอท่านประศาสดาข้านี้ขอถวายตนเป็นสาวกของท่านพอตกเวลาค่ําองค์ุริมานก็มาที่ลานปราสาทของสาตาเพียนตามนัดหมายกับวาสิถีข้าได้เลิกล้มความคิดที่จะกําจัดสาตะเพียนแล้วล่ะ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 ให้กลายเป็นผู้ที่มีกิริยาวาจาอ่อนน้อมได้รวดเร็วเชน่นนี้มหาบุรุษนั้นจะสามารถบำรับสิ่งดุร้ายที่สุดแห่งธรรมชาติคือความรักที่ร้อนรุ่งที่งก่อกวนจิตใจของข้าได้ไหม่หนอหากเจ้ายังไม่เข้าใจก็ควรจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยตนเองที่เทวาลเก่าในป่าปูรายเวลายามเย็นพระองค์ก็จะตรัสพระธรรมเทศนา แกพิสุิ์และประชาชนข้าจะไปข้าต้องการรู้ข้าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในเย็นวันรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นวาสิิถีก็ชวนเมธินีและโสมทั์คู่ภรรยาสามีไปตลาดหาซื้อของอันควรแก่สมณะบริโภคพอตกเย็นก็พากันไปยังป่าประดู่ลาย ที่ครั้งหนึ่ ง, งานางและกามนิทให้คำ ม, มั่นต่อกันว่าจะซื่อสัสตว์ต่อกันตลอดไปณที่นั้นมีภิกษุภิกษุณีและครุษหัดจำนวนมากยืนอยู่เป็นหมู่ใกล้เทวารายร้างวาสิทธิเห็นภิกษุรูปร่างใหญ่โตองค์หนึ่งจำได้ว่าคือองค์คุริมาน และเห็นพิสุสูงอายุองค์หนึ่งออกมาจากป่ามีสรีระสง่างามอย่างชาติเชื้อกษัตรวาสิธีนึกทันทีว่าองค์นี้กระมังหนอคือพระมุมีซึ่งเขาขนานพระนามว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงก ร, รมใบไม้ไว้ในพระหัตถ์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 มีมากกว่าส่วนที่ตถาคตสแสดงแล้วแก่ภิกษุทั้งหลายเหตุที่ตถาคตไม่แสดงสิ่งทุกประการนั้นก็เพราะไม่ประกอบผู้ประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรันทร์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำนัทไม่เป็นไปเพื่อความสงบประงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้แจ้ง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 อาการกิริยาของวาสิธินี้พระพุทธเจ้าได้ทรงทอดพระเนตรมองดูอยู่เมื่อวาสิธีแต่รับประทานอนุญาตให้นำเครื่องสการะเข้าไปถวายพระองค์ก็ตรัสแก่วาสิธีดูก่อนนาผู้เจริญสิ่งของที่นำมาบูชานี้อุดมยิ่งนัก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 สตูของพระองค์แปลกใจเป็นอันมากพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องพระกิสนะผู้ได้นางพรหมจาริณีจำนวน1มื่นหพันหนึ่งรอคนเป็นชายาในคราวเดียวกันอาศัยที่พระกิสนะแบ่งภาพไปสมสู่อยู่ด้วยทั่วกันทำให้แต่ละนางต่างเข้าใจว่าพระกิสนะอยู่ด้วยเฉพาะตนผู้เดียวเท่านั้น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 ถึงแบ่งภาอาอวตารมาทรมานพระกายในโลกฉันได้ก็ดีฝายตถาคตก็ทรมานร่างกายเพื่อสแสวงหาวิโมกษธรรมจนบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในชั้นแรกตถาคตคิดจะไม่ประกาศพระธรรมอันลึกล้ำนี้ด้วยเราสัพปสัตว์หัวเมาจมอยู่ในโลกียยสุข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 พระองค์มิใช่ช่วยใหุ้ผลจากอาสุนตนใดตนหนึ่งหากทรงช่วยใหุ้ผลจากทุกทั้งปวงความทุกนั้นมีอยู่ทั่วสากลสิ่งทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อเหตุสิ่งไปสิ่งนั้นก็สิ่งไปความไม่รู้เป็นเครื่องบดบางไม้เห็นความจริงบุคคลจึงเกิดความหลงมีความทยานอยากทุก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 ซึ่งเปรียบเหมือนเกาะโดดเดียวอยู่กลางทะเลทุกขและพระสัตยธรรมก็คือเรือที่แล่นตัดไปสู่เกาะ น, นั้นได้โดยปลอดอันตรายอันหนึ่งเรื่องแดนสันติที่เรากล่าวนี้ไม่ใช่กล่าวตามคําบอกเล่าของสมณพราหมณ์หรือผู้อื่นใดทั้งไม่ใช่บทเพลงแห่งคีตกวีผู้ร้อยกรองตามความคิดฝันหากแต่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 ย่อมร่วงโรยไปนับแต่วันที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกวาสิทธิก็ไปสู่เทวารายพระกิจนะเพื่อสะดับพระธรรมเป็นประจำครั้นนานวันความเข้าใจและความเรื่อมใสก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นข้างฝ่ายสาตาเขียน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 จึงมีรับสั่งให้จัดขบวนพยุหะญาตราประกอบด้วยช้างมา้าและเกวียนพร้อมด้วยมุขมนตรีเสนามหาดเล็กและโปรดให้วาสิทธิตามเสด็จด้วยเมื่อขบวนเสด็จญาตราถึงป่าปดลายพระเจ้าอุเทนก็เสด็จเข้าไปในเทวาลายัยถวายบังคมกราบทูลพระพุทธเจ้าเรื่องโจรองคุลิมานด้วยความทุกข์ร้อนพระไทย พระพุทธเจ้าทรงสดับจนจบแล้วตรัสแก่พระเจ้าอุเทนดูก่อนมหาราชหาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นองคุลิมานปลงผมแลหล่นวลนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดละเลิกฆ่าฟันปล้นสะดมได้เด็ดขาดถือมากน้อยบริโภคมือเดียวประพฤติอยู่ในทางที่ชอบมุ่งแต่ทางบุญกุศลดังนี้ พรงจะทรงทําประการใดข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระเจ้าจะเขารบดับถือเขาลุกขึ้นต้อนรับนิมนต์ให้เขานั่งแล้วถวายปัจจัยอันควรแก่สมณะบริโภคจัดหาที่อยู่อาศัยป้องกันภัยที่จะมีมาสู่เขาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าฉไหนบุคคลผู้มีใจทมินหิ น, นชาติเช่นองค์ุริมานจะกลับเป็นคนเห็นแก่ทํำได้เล่า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 เพื่อประโยชน์แห่งเราพุท ธ, ธบริษัททั้งหลายทั้งปวงด้วยเทินเราขออนุโมทนาสาธุต่อพระราชบัน า, นาการของบกผิดในครั้งนี้ขอพระองค์จงมีกุศลกิจเช่นนี้ต่อพระสบนี่ก่อนและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงซื้อไปด้วยเทินสาธุสาธาเกียน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 ข้าจะขอบวชเป็นภิษุนีในพระพุทธศาสนาสาตาเพียนได้ฟังดังนั้นก็ให้มีอาการนิ่งซึงด้วยความอาลัยในความดีของผู้เป็นภรยาแต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธวาสิทธิได้จึงยอมอนุญาตแต่โดยดี เมื่อขบวนเสด็จย่าตรากลับไปแล้ววาสิทถีจึงยังคงอยู่ในที่นั้นและปวดเป็นภิกษุณีในวันรุ่งขึ้น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 ก็บังเกิดความสงบสุขเหมือนได้รับชีวิตใหม่เมื่อสินฤ ด, ดูฝนนี้ลงพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จจาริก ต, ต่อไปทางแกนตะวันออกวันหนึง่งพระพุทธองค์จึงทรงเทศนาเป็นครั้งสุดท้ายในเทวรยร้างนั้นพุทธบริษัททั้งหลายพึงระลึกและไตรตรองดูให้รู้ว่า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 ทีนันมมควาุกเท่านั้นหรือพระเจ้าค่ะเท่านั้นพอหมอแล้วเมื่อข้าพระองค์เข้าใจในพระอาวาานี้ดีแล้วจะประทานอนุญาตให้จาริกไปเฝ้าเพื่อรับพระอาวาตสูงขึ้นไปอีกได้หรือไม่พระเจ้าค่ะถ้าเห็นว่าจำเป็นก็อนุญาต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 แม้ว่าโดยหนทางนั้นต้องผ่านด้วยจำนวนนับพันพบพันชาติข้าพระองค์ก็จะไม่ยอ่อท้อดีแล้ววาสิถีจงตั้งจิตพิจารณาบทธรรมนั้นให้จงดีพิกษุนีวาสิถีให้รู้สึกน้อยใจว่า